หนึ่งอาการจิตแท้ที่เป็นธรรมะที่เป็นกายในปัจจุบันแม้ปัจจุบันก็ต้องสามมาทิฏฐิจริงจึงจะเกิดธรรมะขึ้นมาได้หากมิจฉาทิฏฐิก็เกิดแต่อธรรมะอยู่เท่านั้นโดยเฉพาะจิตที่จะทำให้เกิดเป็นธรรมะขึ้นมา ก็ต้องเรียนรู้ตั้งแต่ความเป็นกายอย่างสำ ม, มาทิฐิแล้วจัดการกับกายที่เป็นสัตว์ของตนให้เป็นธรรมะแม้ธรรมะทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนสัพเพธรรมะอนัตตาแต่ขณะนี้ที่ตนเองอย่างมิฉาทิฐิอยู่นี้เรายังมีตัวตนอนตาอยู่แน่แท้ และเป็นตัวตนของสัตว์สัตว์โอปปาติกะยังไม่ใช่ธรรมะอะไรเลยต้องเรียนรู้ความเป็นอัตตาสามโอราลิกะอัตตามโนมยะอัตตาอารูปะอัตตาให้สัมมาทิฏฐิกันดีๆพระไตรปิฎกเล่ม9ข้อ302สอง แม้แต่กายของความเป็นสัตว์ของตนที่ตนยังมีรูปและมีนามร่วมประกอบกันขึ้นเป็นกายของสัตว์อยู่ตั้งแต่ความเป็นสัตว์ตาวาดข้อที่หนึ่งไปจนถึงข้อที่9ตนก็ยังไม่รู้ความเป็นสัตว์แม้แต่ความเป็นกายอันใดเลยแล้วจะหลงตนว่าตนเป็นธรรมกายนั้น นี่แหละฝันที่เพอและเมออย่างยากที่จะแก้ศัตตาวาด9ศึกษาเรียนรู้แค่ไหนว่าอาการลิงคะนิมิตอุเทศของความเป็นกายคืออย่างไรของความเป็นรูปกายก็ดีเป็นนามกายก็ดีมันอย่างไรแค่ไหนพระไตรปิฎกเล่ม1ิบข้อ60ส แตกต่างกับความเป็นจิตแตกต่างกับความเป็นรูปซึ่งมีตั้งแต่มหาภูตรูป4ไปจนกระทั่งอุปาทายรูป2ี่นั้นล้วนแต่ต้องเรียนรู้ความเป็นกายโดยมีสัญญาของตนเป็นอุปกรณ์สำคัญกาหนดรู้กายและจิตของตนได้และจะเรียนรู้ได้ก็ในขณะที่มีวิญญาณทีติ ขณะที่มีธาตุวิญญาณเกิดอยู่หลัดหลัดต้งๆในขณะมีผัสสะให้เราศึกษาเท่านั้นมิใช่หลับตาเรียนซึ่งก็มีวิญญาณถี่สเจ็ดและอาเยตนาสองนั่นเองพระไตรปิฎกเล่ม10ข้อ65ตามที่พระพุทธเจ้าให้เรียนรู้จากผัสสะเป็นปัจจัย เล่ม9ข้อ64ถึง76และครบทั้งผัดสายยตนะหกเล่ม9ข้อ90เว้นผัดสาเสียแล้วจะรู้สึกได้นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เล่ม9ข้อ77ถึงข้อ89ดังนั้นผู้ไม่มีผัดสาเป็นปัจจัยก็เป็นแค่ผู้ไม่รู้ไม่เห็น อาชานาโตอาปัสโตซึ่งมีแต่ความแสหาเป็นความดิ้นรนของคนมีสันหาพัะไตรปิฎกเล่ม9ข้อ51ถึงข้อ63เท่านั้นทั้งนั้นผู้หลับตาเข้าไปอยู่ในพระวาังจึงคือผู้ไม่มีผัสสะเป็นปัจจัย